เวลาที่มีโจรเกิดขึ้นในเมืองเนี่ยตระเวนอย่างในบ้านเราเนี่ยนะถ้ามีโจรมาบุกรุกใช่ไหมแลเรารู้ตัวแล้วเราจับโจรได้ในในบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าเราจับโจรได้เราก็จะจับโจรนีนนะ้ไปส่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเพื่อให้พิจารณาคดีความส่งฟ้องศาลในระดับต่อไปในสมัยก่อนนี่เขาก็เหมือนกัน แต่่าเขาจับโจรได้มีโจรเกิดขึ้นในเมืองเขาก็จะนำตัวโจรเนี้ยไปหาเสนาบดีหรือไปหาพระราชาจะเป็นมหาอมารหรืออมาลก็ได้ที่จะทำหน้าที่ใ น, ในการพิจารณาคดีความเอาของคืนบ้างปรับลงโทษบ้างอะไรต่างๆในธรรมะไว้ในนี้ก็เหมือนกันดับบุฟังแต่ถ้ามีโจรเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันกาจัดออกไปมีในสมัยหนึ่งดุฟัง มีโจรเกิดขึ้นในธรรมาไวัไนนี้นั่นพิษุรูปนั้นที่ทำตัวเหมือนโจรเนี่ยชื่อว่ายมกะแต่เป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยทัมดฟังที่ว่าโจรเนี่ยมีการกลับใจเปลี่ยนจากโจรเป็นบัณฑิตได้ในเรื่องราวนี้มาในยมกะสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่17เริ่มต้นที่ข้อ196 พระสูนี้ก็ไม่ยาวอะไรจะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ตอนนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ที่วัดเชตวันเรื่องยมกะสูตรในสมัยนั้นยมกะภิกษุเกิดทิฐิอันชั่วช้าเห็นป่านนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าพระกีนาสพเมื่อตายไปแล้ว ย่อมกาศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่มีอีกก็ภิกษุทั้งหลายได้ฟังดังนั้นแล้วจึงพากันเข้าไปหายามกะภิกษุถึงที่อยู่สนทนาปราศัยพอคุณเกยกันแล้วก็จึงสอบถามยามกะภิกษุว่าท่านยามกะทราบว่าท่านเกิดทิฏฐิอันชั่วช้าเห็นป่านนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าพระกีณาศพคือพระอรหันต์นั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดสูญย่อมพินาศย่อมไม่มีอีกข้อนั้นเป็นจริงอย่างนั้นหรือท่านยะมะกะท่านยะมะกะภิกษุจึงตอบว่าข้อนั้นเป็นจริงอย่างนั้นท่านผู้มีอายุท่านยะมะกะท่านอย่าได้พูดอย่างนั้นเลยอย่าได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาค เพราะการกล่าวตัวพระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ปึงตรัสอย่างนั้นว่าพระขี่นาศตายไปแล้วย่อมกาดศูนพินาศย่อมไม่มีอีกท่านยมะกะภิกษุเมื่อถูกปิกสุเหล่านั้นตักเตือนอยู่แม้อย่างนี้ก็ยังขืนกล่าวทิฏฐิอันชั่วชาเห็นป่านนั้นอย่างหนักแน่นอย่างแน่นอนว่า เรารู้ทั่วถึงรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไม่อาจเพื่อจะยังท่านยะมะกะให้ทอนทิฏฐิอันชั่วชานั้นได้จึงลุกจากอาสนะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรจนถึงที่อยู่และได้เรียนแจ้งท่านพระสารีบุตรถึงยะมะกะิภิกษุที่เกิดทิฏฐิอันชั่วชา้า และขอโอกาสนิมนต์ท่านพระสารีบุตรไปหายามกะภิกษุถึงที่อยู่เพื่ออนุเคราะห์เถิดท่านพระสารีบุตรจึงรับนิมนต์โดยดุสเดียบาปรณะนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักผ่อนแล้วเข้าไปหายามกะภิกษุถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้ว จึงนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งและได้สอบถามกับยะมะกะภิกษุว่าท่านผู้มีอายุยะมะกะเราทราบว่าท่านเกิดทิฏฐิอันชั่วช้าเห็นป่านนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้ววา่าพระกีนาศพเมื่อตายไปย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่มีอีกดังนี้ข้อนี้จริงอย่างนั้นหรือ ท่านยมกะภิกษุตอบว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านสาริบุตรยมกะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงข้อนั้นไม่เที่ยงเลยท่านท่านยมกะก็แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงข้อนั้นไม่เที่ยงเลยท่านพระสาราบุตรยมกะ เพราะเหตุ น, นี้นั่นแหละพระอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อนายทั้งในเวทนาย่อมเบื่อนายทั้งในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเมื่อเบื่อน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นแล้ว ก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วประมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกท่านยะมะกะท่านจะสำคัญความข้อนนี้ว่าอย่างไรท่านเห็นว่ารูปเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนั้นหรือ ข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านตัญมกะท่านเห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณนั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านตัญมกะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในรูปอย่างนั้นหรือข้อนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นท่าน ทันยมกะท่านเห็นว่าความเป็นสัต์บุคคลอื่นเป็นจากรูป like อ, ยร อ, อ, อ, อย่างนั้นหรือข้อนั no. ้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นท่านทันยมกะท่านเห็นว่าสัต์บุคคลมีอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารหรือในวิญญาณอย่างนั้นหรือข้อนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านทันยมกะหรือท่านเห็นว่า สัตว์บุคคลอื่นนอกจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนั้นหรือข้อนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านท่านยมกะท่านจะสาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่าน ท่านยมะกะท่านจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านเห็นว่าสัตว์บุคคล น, นี้ไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาสังขารและวิญญาณสัตว์บุคคล น, นี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้อย่างนั้นหรือข้อนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านท่านยมะกะก็โดยที่จริงโดยที่แท้ท่านจะค้นหาความเป็นสัตว์บุค ค, คล ในการตั้งาเหล่านี้ในปัจจุบันไม่ได้เลยควรแลหรือที่ท่านจะยืนยันว่าเรารู้ตัวถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าพระกีณาสพเมื่อตายไปแล้วย่อมกาสศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกข้าแต่ท่านพระสารีบุตรเมื่อก่อนผมไม่รู้อย่างนี้ จึงได้เกิดทิติอันชั่วช้าเห็นปาฏนั้นแต่เดี๋ยวนี้ผมละทิติอันชั่วช้านั้นได้แล้วและผมก็ได้บรรลุธรรมแล้วเพราะฟังธรรมเทศานานี้ของท่านพระสารีบุตรท่านยมะกะถ้าชนทั้งหลายจะพึงตามท่านอย่างนี้ว่าท่านยมะกะภิกษุผู้เป็นพระอระหันต์กีนาศพเมื่อตายไปแล้วย่อมเป็นอะไร ก็เมื่อท่านถูกตามอย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวแก้กับเขาว่าอย่างไรข้าแต่ท่านพระสารีบุตรถ้าเขาถามผมอย่างนี้ผมจะพึงกล่าวแก้อย่างนี้ว่ารูปแลเป็นกองไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับไปแล้วถึงแล้วซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้เวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับไปแล้วถึงแล้วซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้ข้าแต่ท่านพระสารีบุตรถ้าผมถูกเขาถามอย่างนี้จะพึงกล่าวแก้กับเขาอย่างนี้แหละถูกแล้วถูกแล้วท่านอยามากะถ้าอย่างนั้นเราจะอุปมาให้ท่านฟัง เพื่ อ, อยังรู้ความข้อนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคือเปรียบเหมือนกระเบดีหรือบุตรของกระเบดีผู้มั่งกงั้งมีทรพัพย์มากมีโพคามากและเขาก็รักตัวกวดขันเกิดมีบุรุษคนหนึ่งประสงค์ความพินาศประสงค์ความไม่เป็นประโยชน์ประสงค์ความไม่ปลอดภัยอยากจะปรงชีวิตเขาเสีย บุรุผู้เป็นโจรนั้นจึงมีความคิดอย่างนี้ว่ากระดาบดีคนนี้เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคามากเขามีการรักษาอย่างกวดขันการที่จะอุกอาจปลงชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นการทำได้ง่ายๆเลยอย่ากรณนั้นเลยเราจะพึงใช้อุบายในการปรงชีบตบรุษนั้นจึง้าไปหากระัาบดีหรือบุตรของกระดาบดีนั้นแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับผมขอเป็นคนรับใช้ในเรือนของท่านกระดับบดีนั้นก็รับบุรุษนั้นไว้ใช้งานบุรุษนั้นก็รับใช้อย่างเรียบร้อยดีทุกประการคือเป็นผู้มีปกติเรือนก่อนนอนทีหลังคอยฟังคำสั่งประพฤต์เป็นที่ถูกใจกล่าวแต่ว่าจาอันเป็นที่น่ารักไร กราบดีหรือบุตรของกราบดีนั้นก็เชื่อเขาโดยความเป็นมิตรโดยความเป็นสหายและถึงความไว้วางใจในคนรับใช้นั้นก็เมื่อใดบุตรรับใช้นั้นพึงคิดว่ากราบดีคนนี้ไว้ใจเราดีแล้วเมื่อนั้นบุตรนั้นรู้ว่ากราบดีหรือบุตรของกราบดีอยู่ในที่รับ ก็พึงปรงชีวิตเสียด้วยศาสตราอันคมท่านยมกะท่านจะมีความสําคัญในข้อนี้ว่าอย่างไรในการใดบุตรนั้นเข้าไปหาขราบดีหรือบุตรของขราบดีคนนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผมขอรับใช้ท่านแม้ในการนั้นเขาชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าอยู่แล้วก็แต่ขราบดีหรือบุตรขราบดีนั้น หารู้จักบุรุษผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่าไม่ในการใดบุรุษนั้นตื่นก่อนนอนดีหลังคอยฟังคำสั่งประพฤติเป็นที่ถูกใจกล่าวแต่วาชาเป็นที่น่ารักใครแมในการนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าอยู่แล้วก็แต่กระบดีหรือบุตรกระบดีนั้นหารู้จักบุรุษผู้ฆ่านั้นว่า เป็นผู้ฆ่าเราไม่และในการใดบุรุษนั้นรู้ว่ากระาบดีหรือบุตรกราบดีนั้นอยู่ในที่รับจึงบ่งชีวิตเสียด้วยศาตราอันคมแม้ในการนั้นบุรุษนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่านั่นเองแต่กราบดีหรือบุตรกระาบดีนั้นก็หารู้จักบุรุษนั้นว่าเป็นผู้ฆ่าเราไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ เพราะนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรท่านยมกะอุปมานี้ฉันใดก็ฉันนั้นคือบุตุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสับบรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัุบรุษไม่ได้รับคาแนะนาในธรรมของสับรุษ เขาย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนว่ามีรูปย่อมเห็นรูปในตนหรือย่อมเห็นตนในรูปเขาย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังคารและวิญญาณโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนว่ามีวิญญาณย่อมเห็นวิญญาณในตนย่อมเห็นตนในวิญญาณเขาย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งรูป เวทนาสัญญาสังการและวิญญาณอันไม่เที water, ่ยงว่าไม่เที่ยงย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณอันเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เขาย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งขันทั้งห้านั้นอันเป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาย่อมไม่รู้ชัดขันตั้งห่าตามที่เป็นจริงอันปัจจัยปรุงแต่ง ว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งกันตั้งห้าอันเป็นผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่าเขาย่อมเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในกันตั้งห้าว่าเป็นตัวเราของเราอุปทานกันตั้งห้าเหล่านี้อันปุถุชนนั้นเข้าไปตือมั่นยึดมั่นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เกือ้อกูล เป็นไปเพื่อความทุกข์ตอลอดกาลนานแต่ถ้าบุคคลผู้ใดได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจ้าดีแล้วย่อมเห็นสับรุษฉลาดในธรรมของสับรุษได้รับคําแนะนําในธรรมของสับรุษดีแล้วเขาย่อมไม่เห็นรูปด้วยความเป็นตนย่อมไม่เห็นตน ว่ามีรูปย่อมไม่เห็นรูปในตนหรือย่อมไม่เห็นตนในรูปเขาย่อมไม่เห็นเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณโดยความเป็นตนย่อมไม่เห็นตนว่ามีวิญญาณย่อมไม่เห็นวิญญาณในตนย่อมไม่เห็นตนในวิญญาณเขาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณ อันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เทีย่ยงย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งกันทั้งห้าอันเป็นทุกว่าเป็นทุกย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งขันทั้งห้าที่เป็นอนัตตาว่ามันเป็นอนัตตาย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งกันตั้งห้าอันมีปัจจัยปรุงแต่งว่าเป็นของที่มีปัจจ네ัยปรุงแต่งย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริง ว่ากันตั้งห้าอันเป็นผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่าเขาย่อมไม่เข้าไปยึดมั่นตืมมั่นซึ่งกันตั้งห้านั้นเมื่อไม่เข้าไปยึดมั่นตือมั่นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานทีเดียวข้าแต่ท่านพระสารีบุตรข้อที่เพื่อนผู้ประพฤติปรมจรรย์ทั้งหลายของท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ผู้เช่นนั้นเป็นผู้อนุเคราะห์ใกล้ประโยชน์เป็นผู้ว่ากล่าวพร่ำสอนย่อมเป็นอย่างนั้นจริงโดยแท้ก็แลจิตของผมหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นตือมั่นเพราะได้ฟังธรรมเทศนาของท่านพระสารีบุตรยะมะกาศสูตรจบอันนี้คือเรื่องราวในยะมะก่าสูตรทัมโมฟังสืบเนื่องจากมีทัมโมฟังที่เชวาวกุลกรมสัน ได้ถามเนื้อหามาในเรื่องนี้พอดีนะครับพระเจ้าคิดว่าเป็นตัวอย่างเรื่องราวที่ดีมากเลยทีเดียวที่มีการปรับเปลี่ยนจากโจรให้เป็นบัณฑิตโดยที่ไม่ได้มีการฆ่าแต่ว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายรู้ว่ามีโจรเกิดขึ้นพาไปหาเสนาบดีซึ่งเสนาบดีในฝ่ายธรรมเนี่ยก็เดียวเป็นธรรมาเสนาบดีนี่คือท่านพระสารีบุตรนั่นเองท่านก็เลยช่วยปรับแก้ทิฏฐิ จากความที่มีทิฏฐิเป็นโจรน่เป็นโจรประเภทหนึ่งคือประเภทที่สามเนี่ยก่อนท่านพระยะม ก, กะัให้กลายเป็นบัณฑิตคือเป็นพระอาราหันต์ได้าคำถามที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าเทคนิคในการตอบคำถามหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีคำว่า intervention คือการแบบโต้เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมรับเนี่ยขอท่านพระสารีบุตรเนี่ยในที่นี้เนี่ยฉลาดมากก็คือท่านยกมาก่อนนะว่า กัรทั้งห้านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะ่ซึ่งท่านยมกะนีก็ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงในตอนนี้ท่านก็ถามต่อไปแตนะ่ท่านพระศาดิบุตรถามต่อไปว่าเอ๊ะรูปเบตนาสัญญาสังการวิญ ญ, ญาณเนี่ยเป็นสัตว์บุคคลตัวตนอย่างนั้นหรือถ้าตรงนี้นะท่านผู้ฟังถ้าท่านพระยะมะกานี่ยตอบว่าใช่เนี่ยก็จะโดนอัดกลับแบบสัจจการนิครณนะครือถ้าบอกว่าใช่เนี่ยแล้วทําไมเราถึงสั่งบังคับไอ้เจ้ารูปเบตนาสัญญาสังการวิญ ญ, ญาณให้มันเป็นอย่างนี้ อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นนะเช่นรูปเนี่ยให้มันหล่อดีสวยได้ไหมทําไมมันให้มันไม่น่าเกลียดไม่ได้นะถ้าตอบว่าใช่ก็จะถูกขัดอย่างนี้ก็จริงต้องตอบว่าไม่ใช่แตนะ่ถ้าตอบไม่ใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋นี้ในคําถามที่สองนะที่ท่านพระสารีบุตรถามเนี่ยคำว่าสัตว์หรือบุคคลตรงเนี้ยนะลักษณะแพทเทิร์นในการตามคําถามตรงเนี้ยเป็น4ข้อในเรื่องของตนที่พระพุทธเจ้าเคยยกอยู่เสมอ นั่อตั้นพระสาติบุตรเนี่ยพอร่ายมาถามตอบมีการอินเทอร์เวนชันมีการซักไซไล่เลียงให้เขาจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาสรุปในลักษณะที่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านั่นคือการที่มีรูปโดยความเป็นตนซึ่งตนว่ามีรูปซึ่งรูปอยู่ในตนหรือซึ่งตนในรูปซึ่งใน4ข้อนี้เป็นสิ่งที่ทํามบฝังจะต้องคใคร่กลววพิจารณาให้ดีเลยนะว่าตนตนเนี่ยมหมายถึงอะไรในะคาว่าตนแรก ที่บอกว่าเห็นซึ่งรูปเป็นกาสัญญาสังการโดยวิญญาณเนี่ยโดยความเป็นตนเนี่ยคำว่าตนแรกนี่หมายถึงเป็นความเป็นสิ่งที่เป็นจับต้องได้เป็นสิ่งของคือไม่ใช่ตัวเราของเราแไม่ใช่ตัวท่านบุฟังตัวข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นตัวตนอย่างนี้แต่เป็นตัวดนในความหมายที่ว่าเป็นสิ่งของขึ้นมาเป็นก้อนอะไรสักก้อนใดก้อนหนึ่งนนี่คือในความหมายที่หนึ่งของคําว่าตนตรงนี้ที่บอกว่าเห็นรูปโดยความเป็นตนทีนี้ในข้อที่สองที่บอกว่า เห็นตนว่ามีรูปเนี่ยคำว่าตนนี้คือตัวของเราเองตัวของเราเองตัวของคนอื่นว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังการวิอญางการเห็นอย่างเงี้งยไม่ถูกต้องแล้วเรื่องในข้อที่3าที่บอกว่าเห็นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังการว่ามีอยู่ในตนนั่นก็คือตัวเราเองเท่านั้นว่ามีในสิ่งนี้หรือในข้อที่4ตัวเราเองเท่านั้นตนในความหมายที่สองเนี่ยว่าเป็นสิ่งนี้เลยนะว่าก็คือซึ่งตน ในรูปนั่นก็คือเห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นรูปเห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นวิญญาณและมีอยู่ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในสข้อเนี่ยเป็นทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะคนที่ยังไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเอ๊ะรูปเนี่ยมันมีในฉันนะเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปเนี่ยไม่มีในฉันมันน่านจะต้องมีนะแล้วประมาประมาทที่ท่านพระสารีบุตรยกมาเนี่ยมันเฉียบคมมากทั้งบุฟังนัเหมือนกับเราเลี้ยงโจรเอาไว้ในบ้าน แต่ว่าโจร น, นี้มันปลอมตัวมาเป็นคนรับใช้ในบ้านเนี่ยแม่มันรับใช้ดีเหลือเกินใครจะไปเชื่อว่าคนรับใช้คนนี้เป็นโจรแต่ว่าเป็นโจรไงเป็นคนที่จะมาฆ่าเราแต่เป็นโจรที่จะมาฆ่าเราเนี่ยปลอมตัวมาเนี่ยแต่ก็มีจิตใจที่ข้างในเราไม่รู้อ่ะคนรับใช้ในบ้านเขาจะเป็นนักฆ่าหรือเปล่าแต่เจ้าของบ้านเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าแม่รับใช้ดีเหลือเกินตื่นก่อนนอนทีหลังทําถูกใจทุกอย่างนะรู้หมดอะไรหมด แม้ตอนจะถูกฆ่าเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวเลยเพราะก็อาศัยตอนที่เราหลับไปแล้วแต่เราหลับไปแล้วเนี่ยเขามาฆ่าเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเป็นไปได้ยังไงคนรับใช้ในบ้านนี่หรอจะมาทําอย่างนี้แต่เช่นเดียวกันที่ตีความเห็นดีว่าเอ๊ะนี่มันอยู่ในตัวเราหนะ่ามันน่าจะถูกนะมันไม่น่าจะผิดหนะ่าแต่ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าเฮ้ยมันไม่เที่ยงแต่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเราพิจารณาตรงนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยตั้งบุฟัง ไอ้ความที่เราจะมาเห็นว่า้รูปเป็นตัวตนเนี่ยมันจะไม่มีไอ้ความที่มันจะเห็นว่าขันดังห้าเนี่ยเป็นของเราเนี่ยมันจะเห็นไม่ได้เลยเราจะรู้แจม่มชัดขึ้นมาทันทีว่าโอ้คนนี้มันมันเป็นโจร น, นะมันเป็นคนที่จะฆ่าเราแต่ก็จะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาตรงนี้คือมีสติไงคือจะไม่ประมาทละอันนี้คือข้อสรุปที่ท่านพระาสารีบุตรสรุปมาจบตรงที่เป็นคําของพุท ธ, ธนะแต่ก่อนที่ท่านจะมาถึงตรงนี้ในพระสูตรนี้ในบวงบบ ท่านภาษาดิบุตรเนี่ยถามแทนที่จะใช้คำว่าตนก็ใช้คําว่าสัตว์หรือบุคคลแต่แทนคำว่าตนเนี่ยด้วยคำว่าสัตว์หรือบุคคลแต่ท่านเห็นว่ารูปเป็นตัวตนท่านระสาดิบุตรก็จะแทนว่ารูปเนี่ยเป็นสัตว์หรือบุคคลในการที่ใช้คําในลักษณะนี้เนี่ยคือเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าในความหมายตัวบุคคลนไม่ใช่ว่าก้อนอะไรสักก้อนใดก้อนหนึ่งแต่เป็นในความหมายที่สองซึ่งหมายถึงตัวของเราเองสัตว์ตรงนั้น มีรูปอะไรต่างๆหรือไม่แล้วในคําถามเซตที่สองในที่ท่านพระไศยบูตามว่าท่านเห็นหรือว่าสัตว์บุคคลมีในรูปและซึ่งถ้าบอกว่าท่านพระยะมะามกะตอบว่าใช่เนี่ยก็จะถูกอ่านว่าเอาวขัดกับตอนแรกไหนตอนแรกบอกว่ามันไม่เที่ยงสัตว์บุคคล น, นั้นไม่ใช่ตัวตนแล้วทำไมตอนนี้มาตอบว่าสัตว์บุคคลมีในรูปมันก็จะขัดกันตอนแรกท่านก็จะต้องตอบว่าไม่ใช่ ใช่ไหมพอตอบไล่ใบไล่ใบตรงนี้คําถามในเซตที่3ามซงต้าดูในคัมพีเนี่ยก็จะเป็นข้อที่202คําถามในเซตที่3ข้อที่202ร้อยนี่ดูเผินๆแล้วมันจะเหมือนข้อที่200คือคําถามในเซตที่1นึ่งแต่ว่าตัดสนว่ารูปเป็นสัตว์บุคคลตัวตนใช่หรือไม่แต่ว่าในคําถามที่3าเนี่ยชุดที่3เนี่ยใช้ความหมายของคําว่าสัตว์บุคคลในลักษณะที่สองคือเป็นความหมายที่เป็นตัวเราของเรา ไม่ใช่ว่าก้อนอะไรสักก้อนใดก้อนหนึ่งคำถามที่คุณคมสันถามในที่นี้ก็คือว่าในคำถามของท่านพระสารีบุตรที่ถามว่าท่านเห็นว่าสัตว์บุคคล น, นั้นไม่มีรูปพิธนาสัญญาสังขารอย่างนั้นหรือนะซึ่งท่านย ม, มะกะัริก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นก็เลยมีความสงสัยว่าไ อ, อ้ตรงนี้ประโยคเนี้ที่ท่านพระสารีบุตรถามท่านพระย ม, มะกะตอบเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคือความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยตัมบุฟังถ้ามันมีเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันมีรูป รูปนี้ของฉันแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีอยู่ในสิ่งนี้สิ่งนี้มีอยู่ในเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเรียกว่าผู้คล้องโดยใช้คำว่า ส, สัตว์แต่ถ้าเราคิดว่าสัตว์เนี่ยเป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่ต้องมีรูปเบญนาสัญญาสังการวิญญาณเนี่ยไอ้ความคิดอย่างเงี้ยมันผิดแต่สัตว์ในความหมายที่พระพุทธเจ้าใช้คือผู้คล้องคุณมาคล้องอยู่ในรรูปเวทนนาาาาสสััญญญงิ คุณยึงเรียกว่าผู้ค้องแต่ก็เรียกว่าสัตว์ผู้ที่ไปคล้องอยู่ซึ่งผู้ที่ไปคล้องอยู่ไม่ได้เป็นตัวตนไงไม่ได้เป็นสัตว์แบบสิ่งมีชีวิตแต่เราต้องเข้าใจว่าสัตว์ในความหมายที่สองซึ่งหมายความว่าเป็นผู้คล้องถ้าเราจะไปตีความในประโยค AG ที่พระพุทธเจ้ามักจะใช้บ่อยๆที่เราจะมีคำพูดกันเรียกว่าสัตตานังหรือสัตโตเนี่ยถ้าเราไปเข้าใจความหมายตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยคุณจะพลาดทันดีแต่ในความหมายที่พระพุทธเจ้าใช้ตรงนี้คือใช้คําว่าเป็นผู้้อง คำพูดที่ว่าเอ้าก็สัตว์มีรูปเปทนนาสัญญาสังการวิญญาณไม่ใช่หรือคำพูดนี้ต้องพูดว่าก็ผู้ข้องไปข้องอยู่ในรูปเปทนนาสัญญาสังการไม่ใช่หรือถ้าถามว่าผู้ข้องไปข้องอยู่ในรูปเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมคำตอบคือใช่แต่ถ้าถามว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมีรูปเปทนนาสัญญาสังการวิญญาณถ้าถามอย่างเนี้ยคำตอบคือไม่ใช่แตเพราะว่าในคําถามที่สอนที่บอกว่าสัตว์มีรูปเป็นต้นเนี่ยมันให้ความหมายของสัตว์ที่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาแล้ว เน่ยเป็นทิ่ติดที่ผิดแต่ในความหมายที่ถูกนะ่ยคือต้องใช้คําว่าผู้ค้องผู้คล้องไปคล้องอยู่ในรูปใช่หรือไม่คำตอบคือใช่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ศัพท์ให้ถูกในะตะบูฟังความหมายอัถยานเนี่ยต้องคมเลยต้องรัดกุมรอบครอบไม่หลารวมตรงนี้อันนี้เราจะเข้าใจความได้ในกคำถามที่สองของคุณคมสันในปริสุทนี้ก็คือว่าตรงที่ท่านพระสารีบุตรสรุปตอบว่าโดยที่แท้จริง ท่านจะค้นหาสัตว์บุคคลในขันทั้งห้าเหล่านี้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคาพูดนี้มันก็น่าจะสอดคล้องกับทิฏฐิที่ว่าพระอาหารหันต์ตายแล้วศูนยนะเออเพราะว่าเอาก็หาความเป็นสัตว์บุคคลในขันห้าไม่ได้เลยเนีย่ก็เหมือนกับตายแล้วศูนย์หรือเปล่าแต่ทิฏฐิที่เรียกว่าตายแล้วสูนย์เนี่ยตะ บ, บฟังคือทิฏฐิที่แบบไม่มีเหตุไม่มีผลคือตายไปแล้วก็จบไปเลยนะแล้วก็ศูนย์ไปเลยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยใดๆทั้งสิ้น คือตายแล้วจบเลย น, นี่เป็นลักษณะทิฏฐิตรงนั้นแต่รายยาวมาตั้งแต่ที่ท่านพระสารีบุตรถามคําถามแรกเลยว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยคาถามตรงนี้ที่ตอบว่าไม่เที่ยงเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีเหตุมีปัจจัยในการที่จะอยู่ๆสูญไปโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเนี่ยไม่ใช่แต่เพราะนั้นบทพยัญชนะที่รพระพุทธเจ้ า, ชาใช้เนี่ยจะใช้คําว่าดับจะใช้คําวัดดับซึ่งคือนิพพานนั่นเองนิพพานไม่ใช่สูญโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแบบทิฏฐิในลักษณะนั้น แต่นิพานเนี่ยเป็นความดับที่อาศัยเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยมีอยู่มันก็จะมีอยู่ละ่ะถ้าเหตุปัจจัยดับไปมันก็จะดับไปละ่ะความดับไปเย็นไปเบาไปตรงนี้คือนิพานนะมันจะมีรายละเอียดเรื่องของเหตุปัจจัยที่แตกต่าง ก, กันกับเรื่องของทิฏฐิที่วาตายแล้วศูนย์คือถ้าเราสามารถค้นหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลในขันทั้ง5้าได้จริงๆเนี่ยเราจะต้องสั่งมันได้อ น, น, นี้คือข้อที่หนึ่งก่อนเลยเราต้องสั่งว่าไอ้รูปมันต้องเป็นอย่างนี้ เอาแต่ว่ารูปมันไม่เป็นตามที่เราสั่งได้นะเป็ความเป็นตัวตนในข้อที่สองเนี่ยว่าตนมีรูปเนี่ยมันมันจะเป็นไปไม่ได้แต่เพราะว่าถ้าเรามีรูปเราต้องสั่งรูปได้แต่ว่ารูปมันเราสั่งไม่ได้นี่สั่งได้บางอย่างบางอย่างสั่งไม่ได้แสดงว่าความเป็นของเราเนี่ยในรูปนั้นเนี่ยมันไม่มีแต่ซิ่งท่านระษาดิบุตรก็จะสรุปตรงนี้แหละว่าเราจะค้นหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลในขันห้าเนี่ยไม่ได้เลยสั่งมันไม่ได้เลย มันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเะ็ น, นความเป็นตัวเราของเราจึงไม่มีในการตั้งหน้าซึ่งมันจะแตกต่างกันกันกบเรื่องตายแล้วศูนตรงที่ว่ามันต้องมีเหตุมีปัจจัยแในเรื่องการที่ดับไปต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือการที่มันเป็นของเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงจึงดับไปเย็นไปได้แต่เรื่องของทิติตายแล้วศูนนี่คือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกันเองมีความเห็นที่ผิดมีลักษณะทิติที่เป็นโจร แล้วก็ไปคมคนอื่นที่เอประกาศว่าฉันรู้ตัวถึงตรรมของพระพุทธเจ้าแต่เป็นโจรประเภทที่สองแล้วก็ประเภทที่3ามเนี่ยหมู่ภิกษุในที่นั้นก็ช่วยกันเพื่อที่จะกำจัดโจรนี้ออกไปและโดยการที่ให้เขาเปลี่ยนทิฏฐิเป็นบัณฑิตแต่ในพระสูตนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่านบวงเป็นเรื่องที่เราจะแทนที่จะฆ่ากำจัดเขาเช่นว่าไปโจด้วยอาบัติปาราชิกเลยหรือว่าลงโทษด้วยการขับออกจากหมู่ไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการลงโทษที่หนักเหมือนกันเหมือนกับโทษประหารเลย แต่เขาก็มีการสอบทวนสอบถามไต่สวนทวนความกันก่อนและโดยมีภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถเช่นท่านธรรมเสนาบดีสาริบุตรแต่เป็นผู้ที่มาทําการอินเทอร์เวนชันมาทําการไต่สวนกระบวนความตรงนี้ทําให้ท่านปรายามะกะสุดท้ายในที่นั้นก็มาลุบเป็นพระอรร翰ตมบังแต่เป็นความดีความงามมากถ้ามีโจรอยู่ในธรรมมไว้ไหนนี้เราช่วยกันแก้ไขปรับสิ่งที่ไม่ดีให้ดี น่อบัติข้ออะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าให้มาเป็นการเพ่งโทษแต่เพื่อให้มีการตรวจสอบพอมีการตรวจสอบตัวเองด้วยตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะด้วยกําจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งที่ดีๆนั้นก็จะเกิดขึ้นในหมูนะ่คณะหมู่คณะในที่นี้ก็คือสงฆ์หมู่สงฆ์ที่มีความสามัคคีกันมีความร่ำเรียงกันกําจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้แล้วเนี่ยก็จะมีความเจริญมีความงามจะเป็นหมู่สงฆ์ที่พระพุทธเจ้าท่านจะคิดถึงนำ้ำบ่ฝัง พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าท่านอยู่ในดินแดนใดก็ตามเนี่ยถ้าหมูสงมีความสามัคคีกันมีความร่ำเปรียงกันมีกาปรปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าจะมีแต่คิดถึงแม้แต่จะให้เดินทางไปเป็นโยดโยอถือห่อท้าวไปด้วยเนี่ยก็อยากจะมาพบมาเจออันนี้ต้นเรื่องคําถามก็มาจากของคุณคมสันแหละทำไมพระพุทเจ้าได้นําเรื่องนี้มาให้ทุกฟังได้ฟังกันวันนี้เวลาก็หมดแล้วทุกฟังถ้ามีคําถามหรือสิ่งใดๆก็ติดต่อไปที่เว็บไซต์เพียตมาร์ดคอมได้ ประปชาพระมาหาภัยบูญอาภิปุลโนจากวัดป่าดาวนายโสจเรญปอน